เมื่อเรากำหนดชื่อที่จ้าน่ะอาจทำหสือพระพุทธเจ้าทรงแนะนำาต่างสอนที่เหลือเป็นหนูหน้าที่เข้ามาโยอกข้อตัวพันกับจิตใจของเราได้โดยค่วนใหญ่ยังไม่มีอาจไม่ทำละเอียดยังไม่มีที่อยู่ที่อาศัยจิตใจยัยงไม่เคยเห็นเป็นในอาจในทำเรื่องสมาธิสมาบัติจิตใจต้องติดข้อ เพิมเตมในรูปเสียงยุนลดตต่างๆฉะนั้นท่านจึงวาอาวุธคือกรรมาฐานให้ให้ทิจนาเจสาเลมานาขาสาาันตาไตะโจซึ่งจิงเรานี้เราไปสถานที่ใดติดตัวไปตลอดเวลาแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายกรรมาฐานคือทำจะต้องมีประจาตัวมาตลอดแต่ทิจนะ เวลาใดตามใดสมัยใดได้ทางนั้นเป็นตำราสีนักข่าวนานักบดือดจะต้องศึกษาเรีษาต่อเพือผมผมนั้นโดยสวนใด่หากใครชุดที่จรณาหยิบผมตามเรื่องสมมติทั้งโลกเราก็มากอยากจะหลงจะถือว่าผมเป็นของสวยงามคนที่มีผลหรือผมที่คนพิการในโดกหนา หรือเป็นอะไรเกิดขึ้นอย่างไดอย่างหน่จะถือว่าคนนั้นไม่งามมีโลกมนุดถือกันอ่านั้นผมจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะทำถึงค่าให้เกิดขึ้นคือเขาจะต้องหายสิงที่มาบังเวรผมให้มันเสียมนงานอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดถึงดัดแด่งแฉะไข่ตกแต่งต่างต่างเสียเงินเจียทองไปนับไม่ได้คนที่ชอบสวยงาม จะต้องต้องตัดแต่ผมมันเป็นความนิยมสมมติของโลกอย่างนั้นนี่พระพุท ธ, ธเจ้าฤาษีอาจารย์สอนในพิจารณาผมผมนั้นมันเกิดขึ้นจากของตกระกบเหมือนหญ้าเกิดขึ้นในหลุมเตื้องเหรอไหมส่วนในถุยที่มันตกระกบหญ้าที่เนนกิดในที่ในตกระกไม่มีส่วนมืดสุย อ, อ, อะไร ม, ม, มันก็เหนื่อยงอเงี้ยเมันก็่าแหนก็ตายไปเลือดงอขึ้นนิดหน่อยมันก็ตายบางทีงอขึ้นไม่ได้ต้องมีอาหารผลของเสือเราท่านก็เกิดขึ้นจากน้ำเลือด น, น้ำเหลืองที่หล่อเลี้ยงให้ยืดยาวงอออกไปบ้างและผลนั้นถ้าหากตกหลนออกจากที่ปากไปจิ้งใส่ในอาหารการกดฉั้น น, น, น้ำเดินเราก็ไม่ชอบจะต้องเททิ้ ง, ถ, ถ, งถึงอาหารนั่นจะไม่เน่าไม่เสียอะไรหากมีผมมากนาอยู่ในถ้วยในจานอาหารในหม้ออาหารลังเสียในชอบแตาอยู่บนพื้นทำไมไปหลงไปเทหรือเขาไปทิ้งเอาไว้ในที่นั่งคืนนอนของเราผม ที่มันอยู่บนพืค่ะแต่ก็าถอนเอาแล้วเขาตัดเอาไปเชื่อมไว้เราก็ถือว่าไม่ดีไม่งามแต่ทาไมเราไปเหลงมันว่ามันเสียมันงามเนื่อเขตบเขาแต่งอยู่บนพืช่ะให้ที่จะรามาถึงที่เกิดของมันถึงที่อยู่ของมันถึงมันหลุดมันเลิศออกมาว่ามันเป็นอย่างไรเลาเห็นั้นมันมีความหมายอะไรถ้าเรามาไปหลงมันจะเปิดเราจะด่าเราไหม ถ้าเราไหลงมันได้ศ <tra> ึกไดทุกอย่างไลยคำนึงคำนิงพี่นึกที่ในหาทางเนียสอนหยุดใจขพื่อเป็บันดาขนก็เหมอนกันไม่จของเสือของงามอะไรม่เกิดนะอยู่ในน้ในตัวของเรางอกขึ้นจากของตกกกโคโคาวดเเหมือนเหลืองทั้งนั้นม่ใจมันเป็นของเสือ้างงามยิ่งขน ในร่รมผ้าถ้าหากว่าเราเห็นเขาถอนออกมาขึ้นใสเพื่อใส่จ า, านอาหารจะเป็นอย่างไรจะเกิดข้าวฟันตีกันหน่ยเวลาหิวหงุยมีคนมาทำแบบนั้นแต่ก็ถือว่ามันตกตะกมันไม่สมเครมแต่เหตุใดจึงโตหลงมันหลงทําไมความรู้ข อ, องเราเป็นทำรู้ถิดเหลงมาจา่ทํารู้ผิดแน่นอนแค่จริง สนั้นคุณพิจารณาหาทางแก้ไขจิตใจของสนที่จิดข้อในฝลในฝ น, นและกลนีน้กันถ้าแกออกเอาไปตุนไปแจงไปทอดไปผัดจะทานได้ไหมละทำไมถือว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้เขาตัดเขาแตงเขาแคะก็ตัดยิง่งพอดูได้ถ้าหากใส่อเอาไว้มันโกรกปกแสนที่จ ะ, ะปร ก, กเล็บ ก, ก็ดี ฟันแต่งงกันหัดกันอยู่เรื่อยชำระกันอยู่เรื่อยแปลงอยู่เรื่อยในอย่างนั้นมันแน่มันหนุนถึงขนาดนั้นตกเริ่มออกมาจากปากเป็นอย่างไร่ฟันเสียไหมงามไหมตกออกจากปากเขาฟันคนนั้นเสียเยอะเกินงามเยอเป็นเขถอนออกให้อมได้ไหมหากว่ามันเสียมันงามอมไม่ได้ก็เพราะมันกระโปก มันเปของปฏิกูลหนังกลมื้นงกันไม่มว่านังแข้งนังขาหนังหน้าหนังตาทะลุออกมามันเป็ น, น, นอนย่างไรมันเสือไหมงามไหมแล้วทำไมเป็หลงถ้าพิจารณาได้เข้าใจตามเป็นจริงจิตจะไม่มีจิตเป็นติดข้องนี่คืออาวุกที่จะฝ่าฟันความตระหนัดยินดีทองใจ ติดไปไข่ติดปิดข้องนอกจากนั้น เ, นเมื่อเทบคเวีมพิจารณามาเรื่องของเขาผมงขนและสันของเขาที่เราไปหลงผมขนและสันของเรามันมีอยู่ที่จะดูให้เห็นให้ใส่ใจชัดเจนมันเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ในเตียวของเตียวตี๋ยวทำไมไม่กําหนัดยินดีในเทบทเว ล, ลมเนหลงแล้วไปถ น, นัดยินดีทําไมเพรเรามีอยู่ จพ่มเลืองกัต้องเอื่นทาไมเติมภานะพิระเต้าเต้าท่องตัวอย่างไรเรื่องไรนี้ผมมันยาวมาต่อไตัดมันเหมือนตาเหมือกต้องตัดถ้าผมยาวถ้าเป็นพระก็ต้องติมเล็บก็เหมือนกันต้องตัดเื่อยเมื่อยางนั้นก็งอกยืยาวฟันตกชระสาสานเรื่อย เมื่ออย่างนั้นที่ออกม า, ากลิ่นท้าปากจะจะเน่าจะเหม็นมันเป็นของปฏิกูนพัดเยิมอยู่อย่างนั้นเราเมื่อเรามีอยู่จะไปหลงดูคนอื่นทําไมจะไปตำหนยินดีกับของเขาทําไมของเราเป็นอย่างไรของเขาก็เป็นอย่างนะั้นถ้าหากจิตใจเป็นธรรมไม่มีอะไรติดบงังโลกเปิดสม่ำเสมอไม่มีอะไรที่จะเปลแปลแตกต่างกัน ก็เกิดขึ้นแปลปวนแปกสลายถือถึงห้าทั้งสี่เป็นอย่างนั้นฐันทั้งห้าเกิดน้อยกันเราสกระเชงอย่างไรคนอื่นปัดอื่นมันจะเป็นอย่างนั้นเราทุกเด็กการรักษาปฏิบัติตายอย่างไรตายคนอื่นกระทนางเดียวกันไม่มีอะไรทผิดแปลกแตกต่างกันจิตใจตาเห็นเด่นชัดอย่างนี้ มันก็ไม่มีอะไรในโลกที่จะมาติดบังให้จิตใจลืมหลงนี่คือหน้าที่ของนักบว่อทุกคนจะพึงต้องปฏิบัติตนขั้งตนคือวิจะะารณากําหนดรักษาถ้าขยานาไปตามโลกตามสมมติมันก็ติดข้องเพิดโผล่ลืมหลงเขาสมมติอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นเพราะจิตใจของเราเคยติดข้องเคยยินดีอย่างเหล่านี้มา เพียงพอแล้วไม่ใช่ว่าแต่ชาติตุบันมันเคยเกิดเคยตายมาเรื่องเกี่ยวกปัญหาเคยเป็นเจ้าเป็นนายบังคับบัญชาจิใตใจของเรามาเรื่ยเลียบยิ่งในต้งศึกษาในต้องมีคือแม่สอนมันขอบไปเองมันจิดไปเองมันเป็นไปเองเรื่องเชื่วสิ่งมันเคยทำมามันมือติดเลืบดไห เป็นอุปนิสัยจิใตใจของเรามาถ้าเราไม่แก้ไขในพิเจ้าน่ะหักห้ามมันก็จะเริ่มหลงเลี่ยวไปนี่คือเรื่องของใจในว่าผู้หญิงในว่าผู้ชายมาบวชเป็นพระเป็ น, ปนมี น, นาที่มีโอกาสการงานนานอื่นทื่เราจะทํำไม่มีชีวิตเติมดูเรื่องเด็กคนอื่นฉะนั้นการฝึกปฏิบัติจิตใจเป็น เวลามีโอกาสที่จะทําได้อย่างสะดียกอย่างสบายหากทุกคนไม่สมัครทุกคนถือโอกาส ท, ทํำผลงานความดีเลีย้ยงสุตใจที่จะไม่เคลื่วนที่ที่จะไม่ดีไม่สงบไม่มีจะต้องดีต้องสงบต้องเห็นต้องเป็นในอาจในธรรมเมื่อเราเห็นเราเป็นเราได้เราถึงอย่างท่องทำแล้วเราก็สะดวกเราก็สบาย จะเป้นจะตายไม่ต้องคํานึงคำนวณฮะเพราะเหตุใดเพราะสิ่ง ท, ที่เราได้เราเป็นเราเห็นเรารู้มันไม่ตายไปตามสมมุติของโลกมันเป็นอย่างไรมันไม่ตายเราก็ไม่มีปัญหาไม่มีข้อสงสัยภายในใจของเราสิ่งที่มันเกิดมันมันแปลเปลี่ยนเราก็าทราบสิงที่มันไม่แปลเปลี่ยนไปกับอะไรเลยเราก็ทราบ แต่เพราะว่าเมื่อมันยังมีเชื่อที่จะให้เกิดมันทําให้เกิดอยู่ได้เมือ่อชำระเชื่อของมันหมดออกไปไม่มีอะไรที่จะเป็นเชื่อพอให้เกิดอีกมันตายไหยนิพพานพลังสุขขังมันเป็นอยู่ที่ไหนนิพพานพมังสูญยังอะไรลงสูญไปมันเข้าใจจึงไหนมีปัญหาอะไรที่จะติดข้องในจุดในใจของผู้เวชปฏิบัตินีการ ภาวนาการศึกษาการเป็นพระเป็นเนรถ้าหากเราูเป็นพระเปนนักเบืออตั้งหน้าตั้งตาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาตั้งหน้าตั้งตาชำาะกิเลสปัญหาวิเห็นเด่นชัดในอัตในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราเองก็เยือกเย็นเต็นสุขคนอื่นเขาเห็นก็เปลี่ยมใสเต็มใจอยากจะบูชาศึกระเพศปฏิบัติคือได้คูอถึง อาจทาเพราะเป็นนื้อนาบุญของเขาเขาเรียมสายเขาเตืนใจเขายินดีถึงจะอดยากยากจนเท่าไรเขาก็สนับสนุนเพราะเห็นว่าทําไปแล้วจะได้สาระประโยชน์จากการกระทำของเขาเราต้องแน้สอนตัวของเราเป็นนักบว่เป็นพิสุเป็นสามเณรอยู่ในศาสนาอาศัยผ้าเหลืองอาศัยเพศ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 มีปัญญาที่นี้ิี่รณาตัวของตัวสม่ำเสมอไปจิตใจที่ไม่ขาดจะติไม่ขาดปัญญาได้ชื่อว่าคือามละหจิตใจของตนคือมีความเพียรเป็นสังเลขาธรรมคือสามารถที่จะกำจัดป่าเต่ากิเลสปัญหาให้ถอดถอนหลุดเล่ยงไปจากใจของตัวหรือเป็นปะปธรรมแผดเผากิเลสที่มีอยู่ในใจ ให้เดือดร้อนให้เหยียดแหงให้ใหมดไปหากคิดได้ที่นาได้ฝึกสอนคตืวยทั้งตัวยโดยอัตที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนมาทุกคนจะก้าวหน้าในการปฏิบัติจะไม่เห็นอะไร ย, ยืดเส้นแต่เสด็จเข้าเรื่องท้องใจที่มีอากมีธรรมไม่ตื่นเต้นไม่โหงเฮงไม่เลงไหลไม่เรื่อง ทั้งโลกเพราทุกคนปรารถนาสึกพไม่เจอสึกไม่เห็นสึกในตลืองตัวจึงไปหาเรื่องเนื้หาไปเท่าไรันก็ไม่เห็นความเหตุใดจึงไม่เห็นควาหาอยู่ถ้าเห็นแล้วไม่หามันมีอยู่อย่างไรคอยใจอย่างนั้นจะไปหาทาไมมันเห็นอยู่ของที่หายเขาไปหาแต่คือเขาไมเห็นถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่หา จิตใจของนักภาวนาสมวนกันแต่ไข่ ค, คิดติดตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาในกายในวาจาในใจของตอนถีนเป็นเรื่องสำคัญเป็นเบื้องอต้นเป็นศีกขาที่ควรศึกษาถีลนั้นถ้าหากด่างค้อยหรือเสียหายตกขาดไปไม่ใช่เรื่องใหญ่โตสังขาประชิด ต, ต่ด ต, ตามจสามารถที่จะ ทำจิตทำใจให้ขัดข้องปฏิบัติไม่สะดวกเราต้องรักษาต้องพื้นที่เจริญนาทะในมีศีลเน้นในมีศีลเป็นของอย่างถึงโลกถือกันตลอดทึงเพื่อนจำนะด้วยกันก็ถือนะฮในมีศีลในธรรมดีู่ด้วยกันต่อตำหนิกันในเป็นศึก เพราะสีเหมือนเสมอกันฉะนั้นจึงควรศึกษาเรื่องของสีตัวดีเรื่องสมาธิต่อเมืองครับบัญชาจิตใจของตนอย่าให้จิดขอ้องสเส่อมหมองเส่อมเพลินเตลี่ยไปในทางผิดพยายามบังคับจิตให้สงบละ ง, งับเดยียสติดี๋ยปัญญาดยวจัดท่าเดี๋ยความเขียนหาทุกคนสนใจทุกคนมุ่งมั่น ในการปฏิบัติขอ้งตนเพื่อมักควบผลจริงจังจิตเทละหน้าที่อันอื่นมันปล่อยวางได้เพราะจิตชำระกิเลสปัญหาเป็นจิตใหญ่จิตโตจิตเฉพาะตัวคนอื่นจะเป็นหมื่นเป็นแสนมาเขื่เหลือไหนได้นอกจากตัวของเราจะเขื่เหลือตัวของเราตัวของเราจะทําเอาถท่านั้นจึงเป็นงานสําคัญหับหมดที่เหลสปัญหาหมดภาระของใจที่จะไปคล้องจิตจิตจึงต่างๆ ตัวของตัวซากเองเข้าใจเองกระจกทำมาจังมันมีทางมันมีจิตอื่นที่จะยิ่งได้กว่าเป็นจิตเกี่ยวกับการทอย่างจริงจังอย่าไปถือเรื่องอื่นเป็นของสําคัญยื่งกว่าการละกิเลสการทําความเพียรเพื่อตัวเองถ้าทุกคนหนึ่งมั่นอย่างนั้นการปฏิบัติศาสนา ก็จะเรขึ้นยิเศษขึ้นคือคนประชาชนเพื่อไปเขาก็เลี่ยมใสเต็มใจยินดีเพราะเหตุใดเพราะตัวเองก็เห็นแต่รู้ความเลี่ยมใสความผ่องใสความสงบความญเย็นยิ่งของใจคนอื่นเขาเห็นต้องการความสุกต้องการท่องดีแล้วก็ต้องแสวงหาหาพระเนรพากันแต่ทำบําเพ็ญอย่างนั้นศาสนากัวนับวัน ที่จะมีผู้เชื่อถือผู้เลื่อมใสผู้เต็มใจปฏิบัติหากผู้อยู่ในศาสนาในตั้งหน้าต่างตาภาวะนาะในต่างหน้าต่างตาศึกษาในตั้งหน้าต่างตาจะ ท, ำำ ท, ทําบําเพ็ญจิตของตอนเนอีมเขาจะดูหมิน่นมิ้นทาว่าฝึกฝนในศาสนาก็หลังเขากินไม่มีอะไรที่จะหน้าเชื่อหน้าเลื่อมใสยินยามารย่า ก็ไม่นา่าดูพุดจาพาทีอะไรออกมาก็ไม่น่าฟังในมีขอ้อขบคิดในเดินดูดจิตใจของเขาฉะนั้นพวกเราเสื่งเป็นา ศ, า ส, า, ศ า, สาสนาทายาทสื่อศาสนาเราจะต้องแนะนำตัวเครื่องตัวจำ่ันเสมอไปจไิงใดที่จะเป็นไปเพื่อความสุขความสบายเป็นไปเพื่อการละถอนกิเลส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 รีบภาวน้ารีบประทำความเพียรใน้เกิดเห็นเป็นรู้ภายในตัวข้งตัวจะไม่เสียใจการบําเพ็ญเป็นความดีเป็นเรื่องสำคัญสําหรับตัวของัวกเราท่านเพราะทุน่าที่อะไรไม่มีเพราะทีจะยุ่งโหยว่าวันนั้นไม่มีโอกาสวันนี้ไม่มีเวลาภาวนาไหนเี็ไหนยไปแต่จิตใจเนี่ย รักษาในสังวรปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ตลอดเวลามาภาวนาสุขงจะทำท่าเล็กได้แคบเดียวเราก็หายไปตลอดเวลาอย่างนั้นมันจะดีจะวิเศษได้อย่างไรพยายามสอนใจท่องเต็พยายามฝึกฝนอบรมอยากดีอยากนี้ทําสงบตงองทํา ใตัจมันจะเกิดมาเองเป็นสิ่เองพระพุทธเจ้าก็ทำหลอดตายเหนือตายจึงใดมาแนอนโลกยนใจทำง่ายๆอดถึงการทำทุกข์จิเยาหะทางกต่สรู้อดอาหารจนทะโลมาเสียขนลุดปลายตาำเหนือต่ำตายลุดออกเพราะรากของขนพะเลมาเน่าเราไปถึงั้น อดนอนผ่อนอาหารทุกสิ่งทุกอย่างทําทําริงจริงจังจังเพราะหาทางตัดชลูเพราะตัดชลูมาประมาณนี้นําผ่านสอนโยมมัชฌิมาปฏิบัตปทาตัวคืนมัชฌิมาของเรามันเข้ากับกิเลสทำขนาดนี้พอดีแล้วทามากกว่านี้มันบนอัตตาเคลื่อนฐานโยในเส้นทางสายตาเมื่ยคือกิเลสปัญหาความอาก้องใจเราตัดสินเอง ไม่ใช่มันเป็นมัตติมาหากมันดีดีเสร็จจิดเป็นกลางในจิตค่องเส้ามองในรักในช่างต่างๆจิตเป็นกางเสมอไปเห็นอะไรกะสักจว่าเห็นรู้อะไรกะสักจว่ารู้ในมีการยึดถือจิตคล่องเส้ามองอะไรภายในใจทังตนมันเป็นมัตติมาในตัวนี่มันในเป็นขั้นนั้นมันในเป็นอย่างนั้นเราไปตัดคิ้ง ใจต้องตัวเองว่าทำ ม, มากไปเนิดๆ ห, หน่อยๆมันเตืนแล้วมันโดนอัตตากิือมาถาไปแล้วในความเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นว่าเป็นอะไรกันทําลงไปจนให้มันเห็นผลมาจากคาดเดนในตนมันจะเดนเรื่องอัตตานั่นก็เห็นห็นมันทาบดูการทําจิตทําใจ บังคับตัวของตัวเป็นเรื่องสําคัญถือทุกท่านจะควรบังคับควรฝึกควอรมมอบรมในใจชีวิตเป็นเหมือนวันนี้แต่เป็นอะไรเดือนนี้แตเป็นอะไรปีหน้าคงเป็นอะไรให้ได้ไม่ได้อะไรทัาแช่เลยกว่าชาติเมื่ออนชาตินี้ก่อนอยู่เรื่อยไปเพราะวันนี้ก็อ้างวันหน้าเชื่อปอนชาตินี้ก็จะต้องอ้างชาติหน้าต่อไป จิตใจมันเป็นแบบนั้นเป่นในทันกับเรื่อ ง, ง, งของกิเลสปัญหาพยายามรักษาแนะนตัวนำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับเพื่อที่นำมาให้คิด่อนวิจัยนะนำมาศึกษานำมาปฏิบัติเป็นอาการหรือเพืออในมีการมีเวลาถึงศาสนาจะเรื่องไปสองพันหารอต่อปีต่อตาม ความดียังเป็นความดีความเชื่อยังเป็นความเชื่อทุกยังเป็นทุกสมุทัยยังเป็นสมุทยัยมีโรคความดับทุกภายในใจก็ยังเป็นมีโรคมรกรรมแต่เพืปฏิบัติให้มากอย่างไรก็ต้องเป็นมร์อยู่เป็นหิทางที่จะตัดโซล์มร์ถึงผลคือยืนยันไ ด, ด้สอนใจต้องตนอย่างนั้นมันจะทำมันต้องเรียน ระวังรักษาทุ้อิยาบทหาทุกคนสนใจจะทำบำเพ็ญตามโอวาทของพระพุทธเจ้าพวกเรานักบือ่อทุกค น, นก็นจะประสบทวามเห็นค ว, วามสึขความเยือกเย็นใงใจการชี้บายธรรมะเป็นแบบพอสมควรเวลาเพราะยุติเย่ยงแค่นี้